บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของนิวรที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นพระุทธเจ้าทรงแสดงสรุปกลุ่มกิเลสทั้งหลายไว้เพียงห้าสายเท่านัในเป็นอาการที่ปรากฏแก่ จ, จิตของบุคคล แม้บางครั้งเราจะพบพิเลศ ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นแต่โดยลักษณะโดยเนื้อหาแล้วก็ออกมาจากทั้งห้าสายเหล่านี้ตึงบางครั้งในหาสายนั้นอาจจะสรุปเป็นสามหรืออาจจะสรุปเป็นหนึ่งก็ได้อย่างที่เคยกล่าวไป้แล้วว่าบรรดาลสรพพกิเลศ ท, ทั้งหลายนั้นที่จริงก็เกิดมาจากอาวิชาเพียงอย่างเดียวต่อจากนั้นก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไป ทำปกิริยาต่อจิตของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงออกมาในลักษณะต่างๆชื่อนั้นเป็นการบัญญัติเรียกขึ้นในตอนหลังแต่โดยอาการแล้วก็เป็นอาการที่ปรากฏแก่จิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเอียงได้ว่าอาการเหล่านั้นจะหนักไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่ามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน ในวรข้อที่สี่ที่เรียกว่าเป็นอุทจจะกุกุจจา น, นโดยลักษณะแล้วก็เป็นกิเลสสองขวายอุทจจะคือความฟุ้งสาางั้นเป็นอาการของโมหะกุกุจจานเป็นอาการของโทสะจึงผู้ศึกษาธรรมะจะต้องดูที่จิตตัวเองให้เห็นว่าบางครั้งความคิดเราพล่านไปในเรื่องต่างๆ หาจุดจบไม่ได้หาที่กําหนดไม่ได้มีลักษณะไร้ค่ากระลงพัดหมุนหรือไม่มีทิศทางอะไรที่ชัดเจนคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่ละเรื่องก็ไม่จบลักษณะเหล่านี้เป็สังเกตว่าจะปรากฏแก่จิตของบุคคลอยู่เสมออาการของเขาจึงมีอยู่ทั้งสามระดับ ระดับที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาระดับที่เกิดขึ้นรุ่มรุมใจระดับที่สงบอยู่ภายในระดับที่ออกมาทางกายทางวาจานั้นจะสังเกตได้อย่างเห็นชัดในกขณะใดที่จิตใจของบุคคลไม่สงบอาการทางกายก็จะหลุดติดอยู่ไม่นิ่งบางครั้งแม้จะนั่งให้สงบเพียงสีห้านาทีก็นั่งไม่ได้ แี่จริงอาการเหล่านั้นก็สืบเนื่องมาจากสภาพจิตในขณะนั้นที่มีความคิดพร่านมีความกังวลมีความผ่วงใยในการตึกนึกไปในเรื่องต่างๆจนว้าวุ่นสับสนในสูตรก็ออกมาในรูปตัเรียกว่าหลุกลิก็อยู่ไม่นิ่งบางครั้งออกมาทางวาจาที่เห็นได้ชัด แล้วก็มีการพูดกันว่าคนบางคนพูดมากจนไร้สาระก็เรียกฟุ้งซ่านอาการเหล่านั้นไม่ใช่ปรากฏอยู่สเสมอแต่ปรากฏเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยจนมางทีก็ฟุ้งซ่านเอามากๆจนค่อนไปทางวิปราช เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสประเภทโมหะนนั้นก็คือขาดสตินั่นๆอาการที่ขาดสตินั่นแหละทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาซึ่งบางทีก็ออกมาในรูปจีอาจจะตั้งวงคุยสนทนานนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แต่พานในใจของบุคคลก็มีความฟุ้งซ่านอยู่มีทัศจะอยู่ เรื่องที่นํามาคุยนั้นจะไม่ค่อยปฏิบัติ ต, ต่อไม่มีความต่อเนื่องแล้วไม่ค่อยจะจบเพราะว่าในขณะที่คนหนึ่งกําลังพูดเรื่องหนึ่งยังไม่ทันจบนั้นคนอีกคนหนึ่งก็ฟุ้งซ่านาาเหมือนกันก็พูดขึ้นมาแล้วจะมีคนพูดสอดแทรกขึ้นมาเรื่อยๆถ้าจะลองวิเคราะห์ส่วจ ด, ดูทุกาการเหล่านี้ให้เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือแอบอัดเทปเอาไว้ แต่เวลาจิตใจมีความสงอบออกมาเปิดฟังดูก็จะเห็นการสะท้อนของจิตที่ประกอบด้วยอุธจะหรีความฟุ้งซ่านได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ภายในใจของคนทุกคนจนเกิดเป็นระเบียบแบบแผนต่างๆขึ้นในการประชุมร่วมกันของบุคคลทั้งหลายจะต้องมีประธานมีการกำหนดกรอบในการพูด ระเบียบวาการประชุมประธานยกเรื่องนั้นขึ้นมาเสนอมีการอภิปรายแล้วก็พยายามคุมเกมเอาไว้ถ้า่งานบุคคลจะอาศัยความฟุม้งซ่านเบี่ยงเบนประเด็นที่กําลังอภิปรายออกไปกลายเป็นเรื่องอื่นที่เราเรียกพูดนอกเรื่องซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นเองจิตเขาไม่สงบจิตเขาฟุ้งเก็บสะสมเรื่องต่างๆไว้มาก เธอนั่นก็อยากจะพูดเรื่องนี้ก็อยากจะพูดแต่ไม่ค่อยตลอดไม่ไม่ค่อยตลอดพอเรื่องหนึ่งแกไปไม่ค่อยได้เกไปออกอีกเรื่องหนึ่งนี่คือลักษณะอาการที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุทจจจะนั้นเป็นอาการทางจิตของคนเวลากิดแกเกิดขึ้นภายในจิตแล้วไม่จะอยู่เฉพาะที่จิตอย่างเดียวแต่บังคับให้กายกับวาระ แสดงอาการของความพุ่งสั้นออกไวเห็นด้วยเพียงแต่ว่าพอถึงกายเราก็ไม่ค่อยเรีย ก, กว่าฟุ้งสั้นเราก็เรีย ก, กว่าลุดติกพอถึงวาจารเราก็ไม่เรีย ก, กว่าฟุ้งสั้นแต่เรีย ก, กว่าเพ้อเจ้อมาเรียกเฉพาะตอนจิตว่าฟุ้งสั้นแต่คำเรียกขานน้นเป็นสังเกตว่าจะสะท้อนจากอาการ ก็กิเลที่บัญญัติเรียกชื่อต่างๆที่จริงเรียกตามอาการของเขาโดยเนื้อหาที่เป็นภาษาบาลีเราแปลเป็นภาษาไทยก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนการบัญญัติการใช้ศัพท์เรียกจึงเป็นเรื่องสมมติเห่าตามภาษาแต่โดยสภาวะแล้วจะมีความสากลไม่ใช่บุคคลนับถือพุทธเท่านั้นจึงจะมีนิวรณ์กันับถือศาสนาอื่นไม่มีนิวรณ์ที่จริงไม่ใช่ ธรรมะนั้นเป็นเรื่องสากลจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็มีอยู่ภายในใจคนทุกคนเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าสอนด้วยภาษาบาลีก็เรียกบาลีแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยก็คงสอนด้วยภาษาไทยเป็นคนรังก็คงจะเรียกชื่อเป็นภาษาฝารังไป แต่สรุปแล้วสิ่งที่เรียก ว, วณีวอนนั้นก็คืออาการที่เกิดขึ้นแล้วจะทำจิตได้สูญเสียความสงบในขกองขาหมาฉันจะเป็นแนวคิดแนวดิ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีความรักใคร่พอใจในคนในสิ่งของในสถานที่ในไรก็ตามก็จะตรึกนึกอยู่เฉพาะเรื่องหลดนั้นแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องหลดนั้น แนวพยาบาทก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือพุ่งไปแนวเดียวเนะี่ยแนวใดแนวหนึ่งเช่นสมมติเราไม่พอใจคนใดคนหนึ่งก็จะที่คิดถึงบุคคล น, นั้นและคนที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล น, นั้นตลอดการเวลาตลอดถึงการเวลาที่มีการกำหนดฐานะของบุคคล น, นั้นจึงจะเห็นได้ว่าอาจจะประรบอดีตการก็ได้ปัจจุบันการก็ได้อนาคตการก็ได้ แต่ความฟุง้งซ่านนั้นไม่มีทิศทางก็นิยายะไยไม่ได้ว่าจะคิดเรื่องอะไรอาการหลานี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการลดละแต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตของคนในแต่ละวันนั้นเรารับรู้เรื่องราวต่างๆไวมากเก็บสะสมไวมากแต่เอาจริงแล้วก็รู้อะไรไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ สิ่งเหล่านั้นจึงไม่ค่อยมีลักษณะปฏิปตะตอนเวลาคิดประคิดถึงจุดหนึ่งคิดไม่ออกเราก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดไม่ออกอีกเรคิดเรื่องอื่นเราคิดไปเรื่อยๆแต่เราดูให้ชัดคล้ายๆกับมีอาหารอยู่บนโต๊ะมากๆไอ้ความพอใจในอาหารชนดิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่ชัดก็ตักมันไปเรื่อยๆ อลักษณะที่เรียกว่าทดลองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราชอบแบบการมาชันนั้นจะเน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษหรือถ้ามีอาการของพยาบาทอยู่อาหารบางชนิดจะถูกปฏิเสธไปเลยคือไม่แตะต้องเลยแต่ถ้าแนวของอุตจากก็จะสายไปเรื่อยเพราะอาการเหล่านี้เราก็พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันในเรื่องทั้งย หรืออาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ได้เช่นว่าเสื้อหรือว่าเครื่องแต่งตัวของเราบางชุดที่เราชอบมันก็มีลักนาการมะจันต์แต่ัดสินใจได้ก็หยิบมาเลยแต่ส่วนตัวใดที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเป็นอาการของอุทจักระแล้วมันก็หยิบแล้วหยิบอีกลองแล้วลองอีกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกคือปรองใจไม่ได้ อย่างที่เค ย, ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยประเภทนี้ก็ให้เกิดอาการเนื่นช้าท่านจึงเรียกว่าปั่นจะรมเวทธรรมะที่ทําให้เนื่นช้าจะตัวอย่างที่ยกมาเห็นได้ชัดเช้สมมติไปหยิบเสื้อผ้ามาจะแต่งตัวไปทํางานถ้ามีอาการการมีฉันมันก็เร็วมีอาการของพยาบาทก็ชักยุ่งนิดหน่อยเพราะต้องเลือกเอาตัวที่เราชอบแต่ถ้าอาจากอาการของความกุ้งสัน้น ก็จะหยิบแล้วหยิบอีกลองแล้วลองอีกอย่างนั่นเองในช่วงนั้นแหละจะสูญเสียเวลาไปเป็นอันมากถึงแม้ในเรื่องเหล่าอื่นเป็นลักษณะที่สูญเสียความมั่นใจลงใจลงไปในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งไม่ได้ผลอาการเขาจึงเป็นพวกเดียวกับพวกวิจิกิจฉาคือความพุ่งสั่นวิจิกิจฉาก็ อาการลักษณะเดียกับฟุ้งซ่านแต่เป็นการสายที่ความข้างเร็วอิเลยกทรอนิกส์นี้พระอริยบุคคลสามประเภทแรกยังละไม่ได้แต่โ่าแกเป็นการละไม่ได้ในระดับสังโยชน์ก็เรียกว่าในระดับที่สามระดับที่เป็นนิวรนก็ละได้ตั้งแต่ตอนตอน้นในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งมันก็อยู่ภายในใจสงบอยู่ภายในใจ เรียกว่าอนุสใสตอนเนื่องอยู่ภายในใจบ้างเรียกว่าสังโยชน์คือผูกใจสัตว์ไว้บังเพียงแต่ว่าความพุ่งสั้นของท่านน้อยลงเพราะไม่ทําปฏิกริยาต่อจิตหมายความว่ามีก็เหมือนกับไม่มีนอกจากก็มีเรื่องอะไรกระแทกแรงๆมันก็คุ่งขึ้นมาได้เหมือนกันคนที่ละได้จริงๆจริงมีเฉพาะอาระขันแต่เป็นการละระดับสังโยชน์ไม่ใช่ระดับนิวรณ์ ทีเราสังเกตดูว่าเปลนเราคิดอะไรมากๆเนี่ยจับทิศทางอะไรไม่ได้ในสุดจึงหุดหงิดจะไม่พอใจเช่นสมมุติรับประทานอาหารดังกล่าวแล้วรับประทานไปรับประทานมาปรากฏว่าไม่มีอะไรถูกปากเลยรำคาญเลยงุดหงิดหรือหยิบเสื้อผ้ามาจะแต่งตัวก็ไม่มีอะไรที่ปลงใจลงไปได้ก็เกิดอาการหงุดหงิด พันพวกนี้จึงเป็นอาการต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาต่อจิตที่เกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ท่านยังเรียกว่ากุกกุจจะคืความรําคาญความหงุดหิดเป็นอาการของกิเลส ป, ประเภทโทสะเช่นเดียวกับพยาบาทแต่ในช่วงนี้บุคคลระดับพระยาบุคคลตัดขาดแต่เป็นการตัดขาดระดับสังโยชน์ต่าง ส่วนระดับนิวรณ์ก็สามารถสงบลงไปได้ตั้งแต่ตอนที่ได้สมาธิแล้วในการศึกษาเพื่อจะลดละบันทอจนถึงกระดับพวกอุ ป, ะปะจะกุปจะนั้นพระเจ้าทรงสอนให้ดูจิตเราในขณะนั้นๆัืนึงสังเกตว่าพวกนี้ไม่ได้เกิดสม่ำเสมออันนานก็จะเกิดขึ้นมา นอกจากว่ามีพื้นอัตยาสัยที่เป็นโมหะจริตหรือวิตกจริตพวกนี้จะฟุ้งมากหน่อยแต่ถ้าเป็นจริตประเภทอื่นก็ฟุ้งน้อยหน่อยแต่ฟุ้งนังฟุ้งแน่นอนเพราะเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยระดูเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เกิดแต่ในในขณะนี้ก็ปรากฏแกิ จ, จิตของเราก็ดูว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นคล้ายๆกับนิ่งๆลถท้องเสียท้องเสียนั้นเป็นอาการปัจจุบันแต่ เ, เหตุทด่ท้องเสียนั้นเป็นเหตุในอดีตการสืบสาวก็ต้องสืบสาวไปสู่อดีตประกอบหน้านี้ไปรับประทานอะไรมาจึงเป็นเด็กที่ท้องเสียรถท้องมันเพิ่งเสียแสดงมีเหตุเกิดขึ้นในอดีตจะใกล้หรือไกลก็ไปรู้ก็คงไม่ไกลเท่าไหร่แต่อาการก็ปรากฏในปัจจุบัน อาการเหล่านี้เป็นอาการที่เราไม่ชอบประทุสรายตัวร่างกายก็ต้องการจะมองไปที่สาเหตุแล้วก็จดัดเหตุเหล่านั้นถรืมองปัญหาเราอื่นก็จะมองในแนวเดียวกันเพื่อสังเกตว่ากิเลสมันเกิดที่ใจเราเพราะงั้นปัญหาก็ต้องอยู่ที่ใจเราเหมือก็อาการปวดท้องที่เกิดขึ้นกับท้องของเราตัวเหตุก็ต้องสืบเนื่องมาจากเรา หรือแทนที่จะไปหาไปหาสาเหตุปัญหาที่อื่นมันก็หาที่การกระทำของเรานั่นเองอุทาจักุโกุจั ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราตรวจสอบดูจะพบว่าเกิดขึ้นจากอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเจตสัวอวุปสัมภคือจิตมันไม่ส ง, งบแต่ถามว่าทำไมไม่ส ง, งบ เขก็เอิดเกิดจากอาการหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงสังเกตว่าการนั่งสมาธิบางวันก็สงบดีบางวันก็ไม่สงบเลยบางวันก็สงบได้นิดหน่อยแต่ถ้าเราย้อนไปสู่อดีตมาทำไมอาการในขณะ น, นี้ทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งสมาธิเวลาเท่ากันแต่บางวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีที่เราใช้ว่าภาวนาได้ดีหรือภาวนาไม่ได้ดี เขาแสดงว่าก่อนหน้านั้นจิตจะรับอารมณ์มากอารมณ์ที่รับนั้นมีลักษณะสับสนแต่ส่วนหนึ่งก็จะมีการเก็บกดเอาไว้แล้วก็จิตก็เดี๋ยวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็แยกไม่เคยออกหมายความว่าถ้าแยกเป็นรักมันจะออกเป็นกา ร, รมันฉันไปถ้าแยกเป็นเกลียดมันจะออกเป็นพยาบาทไปถ้าแยกเป็นปัญญา แยกเป็นเห็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาไปนันก็เกิดธรรมะไปแต่ลักษณะเหล่านี้จะไม่สงบเพราะว่าเรารู้สิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเขานี้อาจจะดูอะไรก็ได้เช่นมีใครส่งของอะไรมาให้แกเราถ้าเรามีความชอบสิ่งนั้นอยู่ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเลย ถ้าเราไม่ชอบมันก็ปฏิเสธไปเลยหรือโยนทิ้งไปเลยหรือวางไปเลยแต่พอดีมันไม่เชิงชอบหรือไม่ชอบก็ต้องถือเอาไว้แล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวามองแล้วมองอีกพลิกไปพลิกมาดมแทะอะไรก็ว่าไปเรื่อย เ, เพราะอะไรเพราะว่าใจมันปร่งลงไปไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากเราไม่รู้สถานะที่แท้จริงของสิ่งเดล่านั้น อ า, าการทังกิเลสประเภทนี้จึงเป็นเรื่องของโมฆะนะครับแล้วคือเป็นเรื่องของความรู้ที่ไม่จริงหรือความหลงก็แล้วแต่ความเข้มข้นของเขาว่าจะมีขนาดไหนดังนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษของอาการทั้งอุทธจะคือความฟุ้งสั้นและกุกุจจะคือความ ร, งารังแกพ้วมันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วจิตเราจะสูญเสียความเป็นปกติจิต จิตที่มีความสงบเคยสงบอยู่ราะก็ไม่สงบเล้ละแกลั่นไปในวล ต, ต่างๆบางครั้งก็ตเตลิดไปกันใหญ่กว่าจะดึงกลับมาได้มันก็สูญเสียเวลาไปจะเราสังเกตได้ตอนจเจริญกรรมาฐานนั้นจะสังเกตได้ชัดบางทีเกียก่ยบฟุ้งไปแป๊บเดียวจะดึงกลับมาได้ยากเหลือเกินเกยบไปโนวนไปนี้ใกล้ๆกับ ว่านอนที่มันหลุดจากเชือกที่ผูกไว้มันก็เล่นไปเร่ๆยะไรทิศทางอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนอะไรแต่าตามจับก็ตามยากจิตใจก็เราที่ถูกนิวรเหล่านี้ครอบงำไว้ก็จะเป็นเช่นนั้นวิธีแก้ที่จะให้เกิดเป็นความสงบขึ้นท่านจึงเรียกว่าเจตโสวุปสัมมะคือต้องดึงจิตมาหาจุดให้จิตก็เกาะอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการสร้างความคุ้นเคยใหม่ๆขึ้นมาเพราะในเหล่านี้พึงสังเกตว่าทุกอารมณ์ที่จะดึงจิตกลับมาได้นั้นจะต้องเรียกว่าสปายะคือสบายแก่จิตเพราะความพุ้งสร้าง น, นั้นมันเกิดขึ้นจากความไม่สบายคล้ายๆตัวอย่างที่รับประทานอาหารที่ยกไว้นั้นถ้าอาหารเราพ อ, พอใจจิตมันก็ไม่พุ่งออกนอกตัวอาหาร แต่บดีมันเกิดไม่พอใจจิตมันเลยฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะเรื่องสัปปายะคือความสบายเป็นการดึงจิตค่อยๆมาเพราะอาการของเราในชีวิตประจําวันมันก็เป็นเช่นั้นคือที่ใดที่มันสบายเราก็ชอบไปในที่นั้นการชอบไปในที่นั้นที่จะจึงเป็นอาการของจิตกายก็ถูกดึงไปโดยคําสั่งของจิตโดยความบงการของจิต ันจิตที่จะให้เกิดความสบายก็ต้องดึงมาดูอารมณ์ที่เรียกว่าเมื่อเดี๋ยวนึกสึกนึกแล้วจะไม่แข็งขืนเกินไปค่อยๆสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตใจในอารมณ์กรรมฐานที่ทรงวางไว้สมหรับแก้นิวอนประเภทนี้จึงมักจะเป็นเรื่องที่ให้ จิตมันเกาะได้ดีๆเชิญสมมุติว่าดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่แสงดูที่สีต่างๆปกศิลก็เรียกว่าพวกดินน้ำลงไฟพวกอากาศพวกสีต่างๆเพราะตามปกติแล้วจิตมันชอบพวกเหล่านี้พวกรูปว่าที่จริงคือพวกสีพวกสีพวกแสงทั้งหลายนั่นเอง แล้วก็ดูว่าอารมณ์อันใดที่สามารถทําใจส ง, งบได้จิตก็ไปน้อมราลึกถึงเรื่องเหล่านั้นแต่บางครั้งเราก็ทําทันทีทันใดไม่ได้ใกล้ๆก็ตเตลิดไปไกลก็ทํานองใล้ๆก็ที่จะท่นยกตัวอย่างว่าเหมือนเอาเชือกมาผูกโคไวนะต้ตอนต้นๆก็ผูกเชือกสั้นไม่ค่อยได้มันต้องผูกเชือกยาวไว้ก่อน พอแกคุ้นเคยกับการไปไหนมาไหนก็วิ่งไปวิ่งมาโดยอิสระนี้นิ่งเอาเชือกสั้นมาผูกแกก็ดิดใหญ่ก็เชือกยาวมาผูกไว้แล้วค่อยๆดึงเชือกให้สั้นหลงสั้นหลงไปการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ลูกโคตัวนั้นโดยลาดับจนในที่สุดแม้เชือกสั้นก็อยู่ได้ก็จะนอนอยู่ใกล้ๆหลักที่ผูกเชือกไว้นั่นเองจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้น เพาแนวกรรมาฐานบางครั้งจึงเป็นเรื่องที่สร้างกคปัจจัยสนับสนุนคือไม่ใช่ตัวหลักจริงๆแต่เราจําเป็นจะต้องมีตัวหนุนเข้ามาช่วยเพราะการให้ใจรู้สึกว่ามีความสบายที่จะคิดอยู่ตรงนั้นที่จะใส่ใจสนใจอยู่ตรงนั้นมันก็ดูตัวอย่างง่ายๆแค่เราไปในที่ใดที่หนึ่ง แล้วเราเกิดพอใจติดใจในที่นั้นก็จะไม่สนใจในเรื่องอื่นก็จะอยู่ในที่นั้นเองแต่ถ้าดูแล้วไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่สบายใจก็จะออกไปจากที่นั้นหรือว่าไปอยู่ที่นั้นก็จะมองออกไปในที่อื่นที่จริงนั่นก็คืออาการของจิตเช่นเดียวกันเพราะการแนวการสร้างความคุ้นเคยเหล่านี้ที่ท่านปรับเป็นรูปสัพพายะต่างๆเช่นอุตุสัพพายะก็คืออากาศ แต่ต้องไม่เสียดแทงเกินไปโดยปกติคนชอบอากาศที่อบปุ่นร้อนก็ใครไม่ชอบหนาวจัดก็ใครไม่ชอบร้อนจัดก็ใครไม่ชอบก็ชอบขนาดอบปุ่นพอดีทำยังไงจึงให้ใจมีความพอใจยินดีได้เัาก็ต้องสร้างอากาศเหล่านี้เข้าไปช่วยคือหาสภาพอากาศเหล่านี้เข้าไปช่วยสถานที่อยู่อาศัยนั่งสบายนอนสบายยืนสบายเดินสบาย ก็เลือกสถานที่ในลักษณะนั้ น, นวิธีแนวกรรมฐ า, าน ท, ท่านเลือกบริเวณหรือสถานที่ที่ไม่มีอารมณ์กระแทกกระทันมาก mm hmm. เกิดไปเป็นธรรมชาติ mm hmm. เป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นถ้ำเรียกว่าเป็นดินน้ําลมไยอากาศไปดูถั่วตุ้นเป็นพวกธรรมชาตินั้นจิตจะไม่ไปแรงแต่จิตจะเล่นไปแรงถ้าหากว่าธรรมชาตินั้นถูกปรุง เฉันรูปถูกปรุงจนสวยจิตก็จะวิ่งไปเกาะด้วยความรักรูปที่ถูกปรุงให้เกิดความหวาดกลัวจิตก็จะเกาะที่ตัวกลัวรูปถูกปรุงขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่ชอบจิตก็จะไปเกี่ยวเกาะด้วยอารมณ์ไม่ชอบเพราะถ้าปราบให้เป็นธรรมชาติในลักษณะประสมกลงกลืนกับความคิดเดิมของคนซึ่งก็นีท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตว่าจิตใจของคนนั้นจะคุ้นเคยกับธรรมชาติ ทะเลทุ่ ง, งนาป่าเขาต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไปอยู่ในสถานที่นั้นจะปรับจิตให้สงบได้พราะมีลักษณะผส ม, มกลมกลืนกับธรรมชาติและชีวิตเราก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเสนาสนะท่านจึงเน้นไปที่เสนาสนะสมัยพุทธกาลจริงพุทเจ้าก็เน้นเสนาสนะป่าแต่ปัจจุบันนั้นคงจะเอาขนาดนั้นก็คงยาก มันก็อยู่ที่การปรับสภาพแปิดล้อไม่เกื้กูลต่อความใส่ใจความสนใจความจิตคียาจิตมันวิ่งไปข้างนอกต้นตระเหล่านี้แม้แต่สัตว์แม้แต่อะไรก็เหมือนกันคือถ้าเราให้ความสะดวกสบายแก่แกแล้วแกไม่หนีไปไหนแต่ถ้ารู้สึกไม่พอใจในสถานที่เหล่านั้นมีปัญหาในเรื่องอะไรก็ตามก็ยืนหนีจะดูสุนัข ก, ก็ได้แมวก็ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องต้องสร้างปัจจัยเข้าสนับสนุนเขาเรื่องอากาศเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องเรื่องอาหารก็ต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปอย่างที่กล่าวไว้ในส่วนของถีนมิทรศาหารที่มากเกินไปนั้นจะเป็นอุดเป็นถีนมิทัคือง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ออกมาเป็นกามฉัน อาหาที่น้อยเกินไปก็จะออกมาเป็นอุท ธ, ธจักรคือฟุง้งแล้วก็รําคาญแล้วก็กลายเป็นพยาบาทเรื่องอาหารจะกลายเป็นฐานที่มีความสําคัญในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในอุปัชายะสอนแก่พระที่บวชมันก็เริ่มที่อาหารก่อนเพราะถ้หาก็ตรงนี้มีปัญหาแล้วมันจะสร้างปัญหาตามมา มากเกินไปก็มีปัญหาน้อยเกินไปก็มีปัญหากงนต่อไปก็คือลักษณะของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องให้ลองสังเกตดูว่าถ้าคนที่เรานั่งร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันมีคนที่เรามองในแง่ของความกาหนัดจิตมันจะไม่สงบก็จำเรืองอดจะมองบุคคลนั้นไม่ได้แต่ถ้ามีคนที่เราไม่ชอบอยู่ใจก็จะไม่สงบ เพราะว่าเป็นความคิดในแนวของความอาคตาิประปาารายเพื่านบุคคลจึงต้องเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกันแม้จะไม่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันก็ตามแต่ว่าต้องประทัมพยายามทาใจให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันเยื่าให้เป็นอุปสรรคในการทำจิตให้สงบของบุคคลเราอื่นแล่ก็เรื่องอารมณ์ ทีเรากำหนดร ล, ลคือพระเจ้าทรงสแสดงอารมณ์กับฐานไว้ถึง40ข้อนี่ที่จึงค่อยเลือกเอาเลือกเอาข้อไหนก็ได้ที่เรียกว่าสปายะคือเรารราลึกถึงเรื่องนี้แล้วเราสบายก็ดึนไม่สบายก็เป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเราแล้วเรื่องนี้ก็สบายเราก็ลึกถึงเรื่องเหล่านั้นเพราะอารมณ์ที่เรียกว่าให้ความสบายนั้นที่จริงส่วนหนึ่งเนี่ยมีอัตยาตัยในอดีตอยู่ด้วย เรียกวาสนาบารมีของท่านในอดีตเพราะทาไมท่านจึงไปมองสิ่งเหล่า น, นั้นได้อย่างนั้นอย่างนดียก็ยกตัวอย่างพรยาศะที่มองคนสวยงามนอนอยู่เป็นศพไปได้เนี่ยการมองนั้นเป็นการมองในปัจจุบันแต่ว่าปัจจัยที่ให้มองเห็นเช่นนั้นเป็นเรื่องอดีตเพราะท่านเคยจเจริญสุภาษกรรมาฐานมาท่านเ้าจะพะว่าพระบางรูป หรือชาวบ้านบางคนที่บรรลุมรควนด้วยการดูซากศพสิ่งสโปรกน่าเกลียดแต่บางคนกลับดูดอกไม้กลับดูความสวยงามต่างๆแต่ดูแลจิตใจของท่านส ง, งบได้พอส ง, งบปัญญามันก็เกิดโดยธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความส ง, งบสึกต่อไป